ขอความสุขความเจริญจุงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโภติยานกำลังนำเสนอเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาก่อนที่จะศัสรุคือเป็นข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นทรงพิจารณาก่อนการสัตสรุด้วยแต่หลังจากสัสรุแล้วตอนประทับ สวยมุติสุขอยู่ที่ภายใต้ต้นประสีมาโพเนี่ยก็จะทรงพิจารณาปฏิจจสมบาตโดยอนุโลมปฏิโลมเหมือนกันแล้วก็ท่งเปล่งอุทานในระหว่างแต่ละคราวแต่ละคราวเราแสดงเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของปฏิจจสมุปบาทว่าขนาดทรงจัสรู้แล้วยังต้องพิจารณาทบทวนอยู่อีกตั้งหลายตลบ พราวหนึง่งพระนรินเทระได้แสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของท่านว่าในความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นมากนั้นมองเห็นว่าปฏิจจสมบาติเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแต่ว่าในความรู้สึกของท่านแล้วมันตื้นเลกน้อยพระเจ้าก็รับสั่งเตือนว่าอยากพูดอย่า ง, งานั้นอนนรปฏิจจสมบัตินั้นมันลึกก็คล้ายๆกับแม่น้านี่เงาก็ลึกน้ า, ก, ก, าก็ลึกนะเงาก็ลึก แล้วเพราะเราไม่รู้ปฏิจจสมบัติเนี่ยก็ทำให้เกิดหมุนวนเกิดเกิดเป็นทุกข์เป็นสุขหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานหลังจากทรงพิจารณาสายเกิดซึ่งเทาครังจะสังเกตว่าในสายตรงเนี้ยที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรแต่เราจะนับตามชื่อขององค์ธรรม วินดานามรูปอายตนผัสสะเวทนาชาติชรามรณะโสกปริเท ว, ว, วทุกขโทมนัฏอุปายาทั้งหมดเนี่ยคือทุกขสั์เรียกรวมๆ ว, ว่าอุปาทานาขันก็คือชีวิตเรานั่นเองทีนี้นอกจากนั้นก็มีอะไรล่ะมีสังขารก็คือบุญก็คือบาป ก, ก็คือรูปชานคือครือรูปชานแล้วก็พบ ก็คือบุญบาปประรูประชาในกรณีที่เป็นสังขารภพแล้วในกรณีที่เป็นที่อยู่มันก็คือโอกาสสะโลกโลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ตรงนี้ถ้าในกรณีที่เป็นที่อยู่มันก็กลายเป็นทุกขสัตว์ถ้าเป็นเหตุให้ไปเกิดก็เป็นบุญเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ ดับอวิชชาไม่หมดเนะี่ยมันก็เป็นกรรมอย่างนั้นแหละคือเป็นกุศลและกรรมอัมกุศลกรรมหรือว่าเป็นกุศลระดับที่ประณีตขึ้นไปแต่ไม่ใช่โลกุตระกุศลนะฮะเพราะว่ายัางบุญบุญในสงสารวันตกลงพวกนี้ก็คือสมุทัยกระทุกนั่นเองปุษ ย, ยาวเหียดนะฮะสิบสองข้อด้วยกันถ้าเรานับแล้วแต่พอเกาะกลุ่มคือปัญหาต้องมองเกาะกลุ่มให้เห็นด้วย แต่เรามองเกาะกลุ่มไม่เห็นแล้วเรื่องมันจะรุงรังเยอะไปหมดเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรแต่พอเราเกาะกลุ่มได้แล้วเนี่ยเรื่องมันไม่ได้มากขนาดนั้นครับประการต่อไปก็ส่งส่งคิดใหม่คิดอีกรอบหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายความโงนได้มีแกเราอีกว่าเมื่อไรหนอเมื่ออะไรไม่มีหนอฉราหมรณะจึงไม่มีเพรา ะ, ะระดับไปหนอฉราหมรณะจึงดับมันก็ย้อนกลับ เรียนแต่ว่าเกิดเป็นดับเท่า น, นั้นเองหมายความว่าสิ่งที่เกิดความรู้ขึ้นภายในพระทัยของพระองค์จะอย่าลืมนะฮะตอนนี้ยังไม่ตรัสรู้เพราะงั้นยังไงก็ไม่ตลอด่ะตัวอภิชาอ ย, ย่างดับไม่หมดเราะจะไปดับหมดด้วยอาสวัคยานด้วยกัตยานในอริยสัจสียานในอริยสัจสี่รับทางวิษุ ทั้งหลายเพราะการคิดโดยแยบคายได้เกิดความรู้สึกด้วยปัญญาแก่เราว่าพระชาตินี้เองไม่มีชรณะชรามรณะจึงไม่มีชรามรณะดับเพราะชาติดับนะแล้วเขาพบดับเพราะพบนี้เองไม่มีชาติจึงไม่มีชาติดับเพราะพบดับพบดับพระอุปทานดับอุปทานดับพระตันหาดับก็ดับกันมาเรื่ตันตันหาดับ เพราะอะไรเวทนาดับเวทนาดับก็สลายยตนาก็ดับสลายยตนาดับผัสสะก็ดับผัสสะก็เอสลายยตนาดับนามรูปก็ดับนามรูปก็ดับปิญญาณก็ดับปิญญาณดับเสังขารดับสังขารดับวิชาดับก็นี้ก็คือสายดับเป็นการพูดแล้วก็จับมาจากหัวอีกรอบหนึ่งเพราะอวิชานี้เองไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มี สังขารทั้งหลายดับเพราะวิชาดับดังนี้แล้วก็เรียงเรียงระดับดับใหม่เพราะวิชาดับสังขารจึงดับสังขารดับปิญจันดับปิญจามดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนะดับอายตนะดับภาษาดับภาษาดับเีทนาดับปีตนาดับตหาดับตนาดับอุปทานดับอุปทานดับภพดับภพดับชาติดับเมื่อชาติดับเชรามอรณอโสกับไปเทวทุกขโทมานัทไม่ไม่ต้องไปนับนะ มันเหมือนกับต้นไม้โดนค้นแล้วเนี่ยเลิกพูดเรื่องถามว่ากิ่งเป็นยังไงดอกเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องถามครับแต่ว่าส่งแสดงเป็นรูปที่เหมือนกับเขาเรียกปฏิกิริยาลูกโซ่ฝรั่งเข า, เาไปเรียกเนี่ยเขาเรียกปฏิกิริยาลูกโซ่คือกระทบชิ่งกันถ้าเราดูให้ดีนะฮะมันก็เหมือนกับรถไฟขบวนยาวเหยียดสกี่โบ ก, กี้ก็ช่างมันนะแต่ตัวการสาคัญมันอยู่ที่หัวรถจักรหัวเดียวแต่แน่ ถ้าเราไปถอดหัวรถจักรออกเสียก็ไปไม่ได้แล้วทีนี้หัวรถจักรมันก็ไปเองไม่ได้นะฮะต้องอาศัยเครื่องเครื่องมันก็ไปเองไม่ได้ต้องอาศัยคนพลตัวนำก็คือจิตอีกอเห็นไมรถจักรเนี่ยเราดูคล้ายๆเครื่องมันจะนำอะ่ะแต่มองไปมองไปมองไปลึกๆไปจิตคนมันนำเนี่นะและจิตคนนำไปด้วยความรู้ถ้านำไปด้วยความไม่รู้มันก็ขับไม่ได้ ถ้าไม่เห็นถึงความมหัศจรรย์แห่งจิตในกระบวนการตรงนี้เมื่อเราเรียงเราจะเห็นว่ามันไปดับด้านที่เราว่าแล้วคือกิเลสกรรมไม่บากเนี่ยมันดับเพราะอะไรเพราะว่าอาวิชชาไม่มีเมื่อวิชชาไม่มีสังขารก็ดับสังขารดับอุปาทานก็ดับตรง น, นั้นพระพระพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยยีโรหุติจ่าจเป็นต้นเนี่ยทั้งก็ดับอวิชชาแล้วดับแล้ว ก็ครองดำรงประชน์อยู่45ปีก็กระสบกระสบกับรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะที่บางทีก็จัดสรรมาอย่างดีปรุงแต่งมาอย่างดีบางทีมีการข่มขู่คุกคามบางทีเยอะเยอยถากถางบางทีสบประมาดดูถูกดูหมิน่นเรียกวัวล้นบ้างอะไรแต่ไ ร, รบ้างสารพัดทั้ง ได้ลาบทั้งเสื่อมลาบทั้งได้ยศทั้งเสื่อมยศทั้งทุกข์ใดทั้งใต้ถูกดินทาทั้งได้รับการสังเสริญแต่พระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ก็มีสุขแต่ว่าสุขที่เป็นนิราไม่สุขคือสุขที่ไม่เจือด้วยเจ อ, จอด้วยอมิตรอะไรเป็นนิพพานสุขเพราะท่าทีของท่านเหล่านี้เวลาดับแล้วเนี่ยจุดต่าง ม, มันอยู่ที่ใจเพราะว่า เราสัมผัสโลกโดวอวิชาในขณะที่ท่านสัมผัสโ ด, ดวยวิชาก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าส่วนหนึ่งนี้เราสัมผัสได้เราชิมได้พูนง่ยเราชิมได้คือไม่เอาร้อยเปอร์เซ็นเนี่นนะมาความเราจะชิมได้เช่นอะไรละ่ะเช่นเราไปห้างสรรพสินค้ามีสินค้านานาชนิดที่วางขายเอแล้วก็มีน้อยเท่านั้นเองที่เราใส่ใจสนใจ อยากได้อยากซื้ออยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยากครอบครองมีของเล่นของเด็กเยอะเราไม่อยากได้เราไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยแต่ถ้ามีลูกหลานก็อาจจะอยากได้แต่ลองสังเกตว่าความอยากนี้มันเกิดจากกาุณนามันไม่ใช่ความอยากแต่นึกถึงลูกหลานเกิดสงสารลูกหลานขึ้นมาก็เลยซื้อเอาให้ฝากหลานเอาตุ๊ ก, กตาไปฝากหลานเนาะทอฟฟี่ไปฝากหลานเารถน้อยๆไปฝากหลาน ถามาเราอยากไหมไหมอ่ะแต่มันเกิดด้วยกรุณาการุณานั้นจะเสียสละคือจะคัดจัดโลภะได้จะไม่สนใจเรื่องตัวเองนะะกรุณานี่ยจะสนใจเรื่องความสุขของบุคคลอื่นเราก็สัมผัสได้ระดับหนึ่งแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางครั้งบางคราวเราก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปเพื่อคนที่เราสงสารแต่ว่าถ้ามาตัวท่านเอง สมาตัวท่านเองแล้วจะมีปัญญารู้เท่าทันถึงอารมณ์ที่มากระทบพระเจ้าทรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรเป็นใจความโดยสรุปนะฮะว่าไอรลาบยศสรรเสริญสุขรอเสื่อมลาบเสื่อมยศนินฐาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เป็นพระยะกับปุถุชนที่ยรงมันเกิดเหมือนกันคือสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันแต่ว่าใจคนผู้รับสื่อตรงนี้มันต่างกัน ปุถุชนเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าในส่วนที่เราหน้าปรารถนาหรือไม่หน่าปรารถนาก็ตามเพราะขาดปัญญาที่รู้เห็นถึงความจริงจิตใจแก่ก็จะฝูจะแฟบไปตามการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งนั้นพอใจใจก็ฝูถ้าสิ่งนั้นเกิดที่เราเกิดเี่ยเราไม่พอใจใจก็แฟบแล้วก็แฟบนั้นเองถ้าเปลี่ยนเป็นดีก็ฝูขึ้นและฝูนั่นเองถ้าหากว่ามันเกิดแตกหักเกิดสูญหายไปเราก็แฟบอีกอะ ก็จีก็ผูกผูกก็แฝงแฝงอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญารู้เห็นถึงความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นนี่ะที่จริงมันเหมือนกับลูกโป่งยกตัวอย่างลูกโป่งเนี่ยนะมันเกิดขึ้นใครๆไปตามถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็แคฝงเพราะบ้วยแกาศทานั้นเองก็ยังนึกสมัยเป็นเด็กจะมีคนก็เล่านะคือคื อ, ค, อคือไม่เห็นเองลงเรือโดยสาร แล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งเขาไปเห็นไอ้น้ำแข็งน้ําแข็งที่เขาใส่นะฮะเขาใส่แล้วก็ปั้นแล้วเขก็หยอดน้ําหวานลงไปบนน้ําแข็งแล้วก็ใช้เดินดูดๆก็ดดเดี๋ยวก็ละลายหมดแกก็นึกยังไงก็มาซื้อไปขวากหลานเอาไปแขวนไว้ในในเรือแล้วตัวเองก็นั่งห่างออกไปไม่ได้สังเกตดูพอเรือขึ้นก็ไปดูก็เห็นแต่เชือกแขวนอยู่สองเซ้นโบยวายใหญ่แทย คนก็มวยกินนั่แข่งแกโอ้ยกว่าจะอธิบายแกเกิดความเข้าใจนีก่ก็ยุ่งกันหน่าดูเลยนี่คืออะไรคือสัมผัสโลกด้วยความโง่มีวิชาอยู่เยอะเลยอยากได้ในสิ่งที่ไม่รู้จะนําพาไปยังไงคืออยากได้ในเรื่องที่ไม่ควรอยากแล้วพอสิ่งนั้นมันเป็นตามตา ม, ตามที่มันเป็นนะฮะคือประเดี๋ยวมันก็ละลายหมดแล้วแหละแก๋เกิดโทสะแล้วโทส ะ, ทสะก็ไม่รู้จะโทสะกับใคร หรือก็ุวยวายนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราสัมผัสโลกด้วยความไม่รู้แล้วก็เราก็มีปัญหาแต่สัมผัสโลกด้วยความรู้มันก็ดูสบายสบายไปนะมันก็เหมือนกับเราดูการแสดงการละเล่นเนลยเผื่อแต่เราเข้าใจวันนี้คือการแสดงเราจะมองในแง่ของศิลปะมองถึงแง่ของการแสดงว่าคนนี้แสดงเป็นยังไงบ้างแสดงสมบทบาทไหมเหมาะสมไหมลักษณะใบหน้าท่าทางแววตาสุ่มเสียง ที่ใช้ไปตรงนี้เหมาะสมไมมันก็มองในแง่ของศิลปะและจะชื่นชมยินดีแม้คนนั้นจะเป็นตัวโกงคนนั้นจะเป็นโจรจะเป็นผู้ร้ายยิงคนเปรี้ยงๆอะไรต่าก็ตามเพราะเรารู้ความจริงมาไม่ได้ยิงใครเลยแต่เป็นการแสดงเอ่นี่แสดงได้ดีบางครั้งตัวโกงยังได้รับรางวัลเพราะอะไรเพราะเขามองในแง่ของการแสดง แต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่านี่คือการแสดงเอาเท่านั้นเองแล้วในสุดมันก็อินกับบทเหล่านั้นเลยก็ยึดติดวุ่นเลยทีเนี้ยยุ่งเพราะ อ, อะไรเพราะเรามีความงโงอยู่มานะตอนมาก็รู้ว่าจะมาดูการแสดงดูไปดูมาลืมไปเลยไปอินกับบทตรงนั้นเข้าเดี๋ยวก็ใจก็ฟูก็แฟบก็เต้นแรงไปเรื่อยๆตามจังหวะก็มีการแสดงรันพระรยาบุคคลเวลาสัมผัสการรมเนี่ย ปัญญามันเกิดสัมพันธ์กับอารมณ์ที่เราสัมผัสเหมือนกับอะไรเวลาลมหนาวโชยมาเนี่ยปัญญาเราสัมผัสว่าจะต้องเตรียมตัวระมรัดระวังไปเดี๋ยวจะปอดจะชื้นจากอะไรต่อะไรก็รีบสวมเสือ้อนาวเข้ารีบผมผ้าเข้านะฮะเห็นไหมเราไม่มีปัญหาเราก็อยู่ได้เพราะลักษณะปัญญารู้เท่าทันระดับหนึ่งนี่เราก็มีอยู่ตลอดแล้ว เดีรเราตักอาหารเรารู้ตรงนี้เป็นก้างนะต้องออกเสื้อก่อนจ ะ, จะกินอาหารได้ตรงนี้ไม่ควรจะกินเข้าไปเพราะมันเคยแสลงเคยท้องเสียก็ปัญญารู้ท่าทันสิงเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นมันเป็นแต่ที่มันเป็นแต่มันทําอะไรเราไม่ได้เพราะเรามีปัญญาประกบมันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเพราะลาบยศสรรเสริญสุรุ่ยรุ่ราบเสริมยศ น, น, นิทาทุกเกิดขึ้นแก่พระยาบคุคคลทั้งหลายเนี่ย ปัญญาของท่านทึ่เหมือนกับแสงสว่างเนะี่มันก็เกิดขึ้นรู้เท่าทันว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ここตั้งอยู่ดับก็ดับก็บไม่ได้ว่าอะไรดังนั้นในสายดับเนี่ยจึงทรงสรุปไว้ในตอนท้ายข้อความเหมือนกันทำมาจากเพี้ยเลยนะเหมือนกันทุกคําทุกตัว อ, อักษรว่าพิสูจทั้งหลาย จากคุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมที่เราไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าความดับไม่เหลือย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ที่พระสวดในพิธีอะไรล่ะพิธีที่เกี่ยวกับอะไรตายเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันร้อยวันนะั่นนะพระสวดปฏิจจสมปันนั่นก็เป็นการศึกษาในแนวของสายดับแสดงว่าเมื่อ อวิชาดับอย่างอื่นมันก็ดับหมดเดีวเหมือนก็งูตรวงยาวช่างยาวถึงไหนก็ช่างมันนะตัดหัวมันตายแต่นั่นเองรถจักรกระบวนยาวเหยียดถอดหัวออกก็เสร็จหรือไม่ถอดหัวออกนะคนก็ไม่ไปติดเครื่องมันไม่สตาร์ทเครื่องมันสตาร์ทเครื่องก็ไม่ยอมขับมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะันก็อยู่ที่ใจโลกจึงอาศัยใจเป็นผู้นําใจเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าสเสม็จมาแต่ใจ ปัญหาสําคัญว่าใจมันคิดอย่างไรมีท่าทีต่อโลกต่อชีวิตอย่างไงการรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้ไม่ถึงกระดับอวิชชาหมดนะฮะแต่อย่าลืมว่าทรงคิดโครงสร้างนี่ลงตัวเพียงแต่ว่าดับไม่หมดส่วนคำว่าจากักรญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนนั้นเป็นการเกิดพร้อมกับการสัตรู เพียงแต่ว่าในตอนต้นๆก็ทรงเรียงมาอย่างเงี้ยอันนี้มีอันนี้มีอันนี้ดับไปนี้ดับไปนั่นดับไปนั่นดับดับไปเรื่อยๆเลยปัญหาตรงนี้อย่างปัญหาปัจจัยการทางสังคมเราเนี่ยมันมีการพูดเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจเราจะพูดไปเยอะเลยเวลาคนก็ถามมาต่อมาต่อมาไม่ได้พูดเพราะเราไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่เรามองว่าปัญหานี่มันมาตั้งแต่นน้นแหละปัญหาของค่านิยมแล้วไม่กลับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการการบริโภคปัจจัยก็การกินการอยู่ใครไม่สู้พอ่อการพายการถอ่อพ่อไม่กลูใครขายผ้าเอาหน้ารอดนะเขาให้ใหญ่ไว้ก่อนให้ดังไว้ก่อนให้เด่นไว้ก่อนก็แล้วกันต่อไปจะเป็นยังไงก็ตายระดับหน้ามันก็คิดอย่างเงี้ยเวลาเนี้ยถ้าเรามองตัวเลขต่างๆดีต่างราชการออกมา ว่าเงินออกไปนอกประเทศสรุปแล้วนี่เดือนละหนึ่งหมื่นล้านในขณะที่ยาบ้าวันก่อนเนี่ยรู้ตอนต้นเดือนนะซึ่จริงตอนปลายปีสี่สองก็ประมาณการว่ายาบ้าจะเข้ามาประมาณสองร้อยล้านแล้วก็เมื่อแถวเดือนมิถุ น, นาเราก็รู้ว่ามาเข้ามาแล้วหกร้อยล้านเมื่อวันก่อนเนี่ยยังไม่สิ้นเดือนก ร, รกฎาดีได้ เขาบอกว่าเข้ามาแล้วถึงพันล้านพล้านเม็ดเงินมันถูกจ่ายระยาบ้าก็บมหาศาลแล้วแล้วถามว่าทำไมต้องจ่ายมันก็โง่อะเกลวิชานะโง่เป็นความโลภแบบโง่โงคนผิดก็โลภแบบโง่โง่คนจําหนายก็โลภแบบโง่โง่คนเสพก็บดโลภแบบโง่โง่คนจับกลุ่มก็โลภแบบโง่โง่ มันเป็นกระบวนการคนโง่ที่สร้างปัญหาให้แก่ตนเองแก่สังคมถ้าเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสั่งว่าความชั่วร้ายไม่ทำเสืเลยดีกว่าเพราะทําทแล้วจะต้องเดือดร้อนใจแล้วความชั่วนั้นจะนวงเหนียวคนเนี่ยไปสู่นรกขึ้นวงเหนียวนะะคือคือเราจะเห็นว่ามันดึงเราไปเลยเขาเรียกว่าตกนรกคําว่าตกนรกไม่ใช่นรกที่อยู่ใต้ดินนะฮะจิตมันตก จิตมันตกต่ำลงไปแล้วก็ภูมิจิตมันตกเพราะฉะนั้นพบที่จิตจะไปอุบัติก็ตกมันก็เหมือนกับพฤติกรรมของคนเรานะฮะเช่นว่าตกลตงสู่ความโกรธความริษยาความแข็งดีความหึงหวงต่างๆเนี่ยพฤติกรรมมันก็เละแล้วเข้าป่าละมีพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่รุนแรงอาจจะถึงกับล้างผลาญทำลายล่างกันเพราะฉะั้นปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่ทรงมองเห็นเป็นกระบวนการแล้วกระบวนการตรงนี้แหละ มีอยู่ทุกจุดของสังคมคือมีอยู่ทุกผลทุกแห่งมันเป็นกระบวนการแต่ตอนนี้คนเราไม่ได้นึกถึงกระบวนการของเหตุผลความสมเหตุสมผลการยุติ้ดยเหตุผลและความดีมันก็เกิดขึ้นไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นคนจึงยังเล่นหวยยังซื้อสลากกินแบ่งยังเล่นเสี่ยงโชคไม่มีอะไรแม้แต่ว่าปัญญาครอบก็าทายกั น, นรลผูปป้หญิงผู้ชาย รถวิ่งมาไม่รู้จะทำยังไงก็่ายเลขแล้วก็อาจจะเอาเป็นเลขหวยเลขบ้านคนก็ขึ้นบ้านใหม่ก็ซื้อรถใหม่ก็เอามาเป็นเลขี่จะเล่นหวยกันเป็นความโลภแบบงงๆนั่นก็คืออวิชาวิชาเกิดมันก็เกิดเป็นแถวแหละปัญหาทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยที่ที่ ท, ที่ที่พูดเรื่องสามจุดเมก่อนถ้าเราสังเกตที่จริงมาจากไม่รู้คาเดียว เพราะไม่รู้จึงยากไรเพราะไม่รู้จึงมีโรคไปยไข้เจ็บมาเพราะไม่รู้จึงขาดการวางแผนครอบครัวเพราะไม่รู้จึงไม่มีความคิดเพราะไม่รู้จึงไม่มีความสามารถเพราะไม่รู้จึงไม่มีคุณธรรมเพราะไม่รู้จึงเกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางการทหารมันมาสรุปที่ตัวไม่รู้ตัวเดียวตัวนี้จึงเป็นตัวสร้างปัญหา แล้วก็ตัวรู้ทั้งหลายที่ทรงใช้ในทีนี้ห้าคำนะฮะดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างบาลีตัณชายคำว่าจาักกุ้งดับปัดียนานังดับปัดิปัญญุดับปัดิวิชาูดาบปัดิโลโกูดาปัดิจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างพวกนี้เป็นนามธรรมทั้งหมดนะฮะไม่จะตาไม่จะตาเนื้อนะ่ะเป็นนามธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในจิตจิตมันเป็นสว่างอวิชามันเป็นความมืด แสงสว่างก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำลายาวิช า, าจุดที่สมบูรณ์ก็รู้กระบวนการของเหตุผลอะไรเป็นผลของอะไรอะไรเป็นเหตุของอะไรแล้วผลอะไรที่เราต้องการก็ต้องสร้างเหตุเพื่อเกิดผลตรงนั้นมันไม่จะทำอะไรให้ปิดฝาปิดตัวคนเป็นมากต้องการสอบที่ให้มีเกรดสูงๆแต่ก็จริงแล้วก็ขี้เกียจเรียนทั้งสิ้ คนต้องการให้เป็นที่รักของคนอื่นแต่ความพลดเลวไหลไร้สาระลักษณะก้าวร้าวไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเป็นเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่แล้วก็คือการทำลายตัวเองความคิดในกระบวนการตรงนี้จึงจึงจึงอยู่ตลอดแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยยางที่เคยยกตัวอย่างว่าพยายามถามเด็กให้คิดกอนสามประโยคี่ย พ่อแม่ก็แต่งงานกันแล้วก็ไม่มีลูกก็อยู่ได้ไหมเราถ้าไม่มีพ่อแม่เราเกิดมาได้ไหมถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเรามีสิทธิ์เกิดเป็นคนได้ไหมแล้วการที่เราหล่อเราสวยเนี่ยเพราะพ่อแม่เราหล่อเราสวยใช่ไหมนะถ้าพ่อแม่มองแแมมแล้วเราจะเกิดมาสวยไม่ได้หรอกก็แสดงว่าเราในอาศัยเขาเวลาเนี้ ย, ย เ, เ, เด็กก็คิดว่าพ่อแม่นั้นต้องอาศัยแก่คนจนก็คิดว่าราชการเนี่ยต้องอาศัยเขา บางตัวเป็นอภิสิทธิ์คนก็เรียกร้องอย่างนั้นด่าทอยาบคายได้เกินก็นึกว่ า, วาเออก็แปลกเนาะคนที่จะพึ่งพาคนอื่นแต่ ว, ว่าพูดด่าเขาหยาบหยาบแล้วต้องการใะไเขาช่วยใครมันจะช่วยสมมติว่าเราสมมุติตัวเองสิฮะคนมาถึงด่าเราเอาด่าเอาด่าเอาด่ า, า, าเอาเสร็จแล้วก็ขอสตางเราให้เลยเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่เหตุของการได้เป็นเหตุของการเสีย เหตุก็ปัญหาเหตุก็อันตรายต่างๆเหตุที่จะต้องติดคุกติดตารางเหตุที่จะขุดหลุงฝังตัวเองให้หนักเข้าไปเรื่อยๆเพราะั้นจริงๆชีวิตมันเป็นกระบวนการของเหตุผลมันโลกมันเป็นทวิภาวะเป็นความจริงสองด้านเร่างเด่นว่าอวิชาก็คือด้านมืดวิชาคือด้านสว่างและจากจุดมืดมันก็ดึงปัญหาสารพัดเข้ามาจุดสว่างมันก็แก้ปัญหาสารพัดออกไป และสว่างได้เต็มที่ความมืดก็ไม่สามารถจะเข้ามาแทนที่ในตรงนั้นได้เหมือนกับตาดใดที่ความเย็นยังคงอยู่ความร้อนก็ไม่สามารถจะปรากฏได้แต่ถ้าหากว่าความร้อนมันจางคลายไม่ใช่ความเย็นมันจางคลายลงไปความร้อนก็สดแทรกกลับมาได้เพราะความเป็นทวิภาวะเนี่ยจึงไม่เกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันในสายดับเนี่ยเมื่อ อวิชชาดับสังขารดับสังขา ร, ด, ารดับปิญญาดับก็ดับระเนรนาดมาทั้งหมดเลยแสดงว่าวิชามันเกิดขึ้นคุ้มครองใจได้ตลอดอาการของกิเลสโลกโกรธหงอิจฉาดิสยาแข็งดีดูหมิ่นคนอื่นเป็นต้นมันก็ดับไปอย่างสิ้นเชิงต้องฝังเท่าไหร่แต่รมพระโพธิญาณใ น, นวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรม จะมีได้ทางพวกฟังงตรงนดูตัวกันสวัสดี